พวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันนี้มีส่วนที่เหมือนกันและมีส่วนที่ไม่เหมือนกันอยู่ส่วนที่เหมือนกันก็คือร่างกายร่างกายของพวกเรานี้เราเรียกว่าร่างกายของมนุษย์ต่างจากร่างกายของเดรัจฉาน ร่างกายของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติอะไรก็ตามถือว่าเป็นร่างกายของมนุษย์เหมือนกันหมดส่วนส่วนที่ไม่เหมือนของพวกเราก็คือจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานี่อาจจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีร่างกายเหมือนกันแต่จิตใจของพวกเราอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะสูงกว่าบ้างอาจจะต่ำกว่าบ้างขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกัน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่ทำบาปให้เราทำบุญให้เราทำละใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เพราะจะเป็นการทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้นไปตามลำดับดีขึ้นไปตามลำดับไม่ให้ตกตำ่ำ จิตใจของพวกเราจะสูงจะต่ำํำก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทํากันดังนั้นสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทากันก็คือให้รับการให้ละการกระทําบาปทั้งปวงถ้าเราไม่ทําบาปทั้งปวงคือเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปลดไม่ดิมสรายามาเราก็จะมีคุณสมบัติของมนุษย์มนุษย์ก็คือผู้ที่ไม่ทำบาปอก็ไม่ได้ทำบุญถ้าเรามีศีลห้าครบนี้เราเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ ถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษาศีลห้าได้และเว้นการกระทำบาปทั้งปวงไม่ได้จิตใจของเราก็จะเปลี่ยนไปจากการเป็นมนุษย์ตอนที่เรามาเกิดนี้เรามีร่างกายและจิตใจที่เป็นมนุษย์เพราะร่างกายก็เป็นร่างกายของมนุษย์ได้จากพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์ ส่วนใจตอนที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราก็ไม่ได้ทำบาป ก, กันบุญเราก็ไม่ได้ทำตอนที่เราเป็นเด็กๆตอนที่เป็นทารกแรกคลอดออกมาจากท้องแม่นี่บุญก็ไม่ได้ทำบาปก็ไม่ได้ทำใจของเราจึงเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและเป็นมนุษย์ทั้งจิตใจ แต่พอเราเริ่มจเจริญเติบโตขึ้นมาเราเริ่มทำอะไรได้เราก็จะเริ่มไปทำบุญทาบาปกันขึ้นอยู่ที่พ่อแม่จะสั่งจะสอนให้ทำอะไรแล้วขึ้นอยู่กับนิสัยของเราเองว่าเราชอบทาอะไรถ้าเราเคยชอบทำบาปมาเราก็อาจจะทำบาปเวลาที่พ่อแม่ไม่ได้ ดูแลเราถ้าเราชอบทําบุญเราก็จะทําบุญโดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่สอนอันนี้เป็นส่วนที่ติดมากับใจของเราพอเราเริ่มจเจริญต่อๆขึ้นมาเริ่มทําบุญทําบาปเองได้เราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปถ้าเรายังรักษาการกระทําการไม่กระทําบาปได้ เราก็ยังรักษาความเป็นมนุษย์ต่อไปได้แต่ถ้าเราเริ่มไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดเราก็จะกลายพันธุ์จิตใจของเราจะกลายพันธุ์ถึงแม้ว่าร่างกายของเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจนี้จะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว เราเริ่มทำบาปกันแล้วแล้วบาปนี้ก็มีเหตุผลต่างๆที่ทําให้เราทําบาปกันจะทําให้จิตใจของเรานี่เป็นสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์ที่อยู่ในอบายนี้มีอยู่สี่ชนิดในการสัตว์ที่ทําบาปจิตใจของผู้ที่ทําบาปนี้จะไป จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในอบายสี่ชนิดคือเดรัจฉานเปรอสุรกายและนรกเพราะว่าสาเหตุของการทำบาปนี้มีไม่เหมือนกันถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นว่าการฆ่าสัตว์รักทรัพประพฤติผิดประเวณีพูดปลดนี้เป็นการเพื่อเอาตัวรอดเพื่อการดํารงชีพไม่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายอันนี้เรียกว่าหลงผิดมีผลเสียหายตามมาผลเสียหายก็คือจะทำให้จิตผู้ของผู้ที่กระทำบาปด้วยความหลงใน จะไปเป็นเดลฉานเดลฉานพวกเราก็รู้กันว่าเขาไม่มีศีลเขาทําบาปกันเป็นปกติเพื่อเป็นเพื่อการดํารงชีพของเขาสุนัขนี่ถ้าเขาหิวถ้าเราเผลอวางอาหารไว้ที่ไหนเขาก็ค่าไปเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติ เรื่องที่ต้องทำเพื่อที่จะได้ดำลงชีพเขาก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายร้ายแลงเรียกว่าเป็นความหลงคนที่ทำบาปเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตอนในก็ทำด้วยความหลงทาบาปด้วยความหลงหลงก็คือไม่รู้ว่าการทำบาปแบบนี้ จะทำให้จิตใจของเขานี้กลายเป็นเดรัจฉานไปอันนี้ก็จิตใจก็เปลี่ยนไปแล้วจากถึงแม้ว่าร่างกายยังเป็นร่างกายของมนุษย์อยู่แต่ถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความโลภอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต ก็จะเป็นเปรตไปถ้าทำบาปด้วยความโลภนี้จะทำให้จิตใจนี้เป็นเปรตส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายพวกที่ทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นพวกนี้ก็จะไปเนรกกัน นี่คือจิตของจิตใจของผู้ที่กระทำบาปสชนิดอ่าสชนิดเดือวกันคือทําบาปด้วยความหลงก็เป็นเดลชานทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายทําบาปด้วยความ อาฆาตพราบาทเกรียดแค้นก็จะเป็นนรกเป็นสัตว์นรกไปอยู่ที่นรกเวลาตายเวลาร่างกายตายไปแล้วจิตใจที่เป็นเดรัจฉานก็จะไปเป็นเดรัจฉานจิตใจที่เป็นเปรตก็จะไปเป็นเปรตจิตใจที่เป็นอสุรกายก็จะไปเป็นอสุรกายจิตใจที่เป็นนรกก็จะไปนรกอันนี้เป็นกฎแห่งกรรม เป็นสิ่งที่เมื่อทำแล้วจะเกิดผลขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีศาลมาตัดสินว่าเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกมันเป็นไปโดยคุณสมบัติที่เกิดจากการกระทำบาปท่านถึงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งปวงนี้ มีกรรมเป็นผู้จำแนกแยกแยะให้เป็นไปต่างๆกันมีบุญกับบาปเป็นผู้จาแนกแยกแยะให้จิตใจของศาสตว์โลกนี้เป็นอะไรกันต่างๆกันนี่คือผู้ที่กระทาบาปกันก็จะเปลี่ยนจากคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต ไปเป็นอสูรกายไปเป็นสัตว์นรกเนี่ยนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ป้องกันไม่ให้พวกเราไปไปอบายกันด้วยการละการกระทาบาป ท, ทั้งปวงนี่คือเป้าหมายข้อที่หนึ่งของคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องการให้รักษาให้พวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกับที่เรามาเกิดตอนต้น ตอนที่เราเกิดมาจากเธอออกมาจากท้องแม่นี้เราไม่ได้ทำบาป ก, กันตอนนั้นเราเป็นมนุษย์เต็มร้อยแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเริ่มทำอะไรเองได้แล้วก็อาจจะไปลักขโมยเห็นขนมอยากจะกินก็ไปลักขโมยขนมมากินก็จะกลายเป็นแมวเป็นหมาไปเป็นเลนชานไปร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจนี้เริ่ม กลายพันุ์ไปเป็นเดรัจฉานแล้วดังนั้นพ่อแม่จึงควรอบรมสั่งสอนลูกให้รักษาศีลกันอย่าทำบาป ก, กันอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าลักทรัพย์ตอนเด็กๆยังไม่สามารถประพฤติผิดประเวณีได้ก็ยังไม่ต้องสอนข้อนี้สอนข้อโกหกอย่าให้โกหก ไปขโมยของเขาแล้วก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยอย่างนี้ก็จะทำให้ปกปิดความชั่วของตนปกปิดความเป็นเดรัจฉานของตนก็เท่ากับการรักษาความเป็นเดรัจฉานของตนจะค้าวหน้าจะได้ขโมยได้อีกแต่ถ้าสารภาพพูดความจริงก็จะทำให้เข็ดหลับแล้วก็จะไม่กล้าที่จะไปลักขโมย ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้ส่วนผู้ที่ได้ทำตามที่เจ้าสอนในข้อที่สองได้คือทําข้อที่หนึ่งได้แล้วคือรักษาความเป็นมนุษย์ได้แล้วด้วยการไม่กระทําบาปทั้งปวงแล้วยังทําเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม เช่นทำบุญทำทานมีความกตัญญูกะตะเวทีมีสัมมาคารวะมีความเมตตากรุณาถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้ใจก็จะเป็นเทพชั้นต่างๆไปถึงแม้ว่าร่างกายนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ได้พัฒนาขึ้นไปสู่ชั้นเทพกันแล้วจะเป็นเทพสูงหรือต่ำก็อยู่ที่ ทำความดีได้มากได้น้อยถ้าทำความดีได้มากทำบุญได้มากยังกุศลได้มากก็จะเป็นเทพสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นตั้งแต่ขณะที่มีร่างกายของมนุษย์อยู่อย่างพวกเราเนี่ยขณะนี้ที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ เรามีร่างกายเหมือนกันเป็นร่างกายของมนุษย์เหมือนกันพูดพูดจาภาษาของมนุษย์เหมือนกันแต่จิตใจของพวกเรานี้อาจจะไม่เหมือนกันจิตใจถ้าเรายังทําบาปอยู่เราก็ยังเป็นพวกที่อยู่ในอบายอยู่แต่ถ้าไม่ได้ทําบาปจิตใจเราก็จะเป็นมนุษย์แล้วถ้าได้ทําบุญทําความดีต่างๆ จิตใจเราก็จะแปลงจากการเป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาชั้นต่างๆไปแล้วถ้าเราสามารถที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ดจิตใจก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปจากชั้นเทพขึ้นไปสู่ชั้นพรหมชั้นพรหมนี้ก็มีสองชั้น คือรูปปัถพมกับอรูปปัถพมผู้ที่นั่งสมาธิได้ในระดับรูปปัจจานสรูปปัจจานหนึ่งถึงรูปปัจจานสี่ก็จะได้จิตใจก็จะเป็นรูปปัถพมไปส่วนผู้ที่นั่งสมาธิแล้วได้อรูปปัจจานหนึ่งถึงอรูปปัจจานสี่ซึ่งเป็นฌานที่สูงกว่ารูปปัจจานจิตก็จะได้เป็น อรูปประพรมเป็นพรมที่มีความสุขมากกว่าพรมที่เป็นรูปประพมพมนี้รูปประพรมนี้ก็มีความสุขมากกว่าพวกที่เป็นเทวดาชั้นต่างๆเทวดาก็มีความสุขวพวกมนุษย์มนุษย์ก็มีความสุขมากกว่าพวกเดรัจฉานพวกเปรตพวกอสุรลลกาย และพวกสัตว์นรกผลเกิดจากการกระทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลต่างๆเช่นทำบุญทำทานช่วยเหลือกันแบ่งปันกันเสียสละไม่เอารัทเอาเปรียบกันมีความเมตตาต่อกัน มีความสงสารกันช่วยเหลือดูแลกันไปอันนี้ก็จะไปเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปพบกับครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้ฝึกจิตให้ทำจิตให้สงบสอนให้เจริญสติควบคุมความคิดต่างๆยับยั้งความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งให้นั่งเฉย เพราะจะทการจะทำจิตให้นิ่งให้สงบได้นี้จะต้องนั่งเฉยๆจิตถึงจะสงบถึงจะรวมได้เวลาที่ไม่ได้นั่งก็เป็นเวลาที่เราจะเริยนสติกันควบคุมความคิดกันเช่นเดินจงกรมหรือทำอะไรต่างๆเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็จะควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องต่างๆ พราะถ้าเราปล่อยให้คิดมันก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เราไม่ได้คิดเรื่องอะไรจิตของเราก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วพอเรานั่งเฉยๆจิตก็จะรวมเป็นฌานได้เป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานตามกําลังของสติที่เราได้ฝึกได้เจริญกัน รูปฌานก็เป็นพรมอารูปรปประพรมอารูปฌานก็เป็นอารูปประพรมนี่คือพบที่สัตว์หรือจิตใจของพวกเราที่ยังไม่ได้ไปสู่พระนิพพานยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันขึ้นขึ้นลงลงกันไปถ้าเราได้อารูปฌปานพออารูปฌานสติ ที่ควบคุมจิตให้สงบเป็นอรูปฌานนี้หมดกําลังมันก็จะเลื่อนลงมาสู่รูปฌานจากรูปฌานก็จะเลื่อนลงมาสู่เทวโลกจากเทวโลกก็จะเลื่อนลงมาสู่มนุสโลกมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ามาทําบาปทํากรรมต่อก็จะเลื่อนลงไปเป็นเดรชานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกนี่นี่คือการ เวียนว่าตายเกิดในตรยพบเนี่ยตายพบก็คือพบของผู้ที่ยังไม่ได้ไปถึงนิพพานจิตที่ยังไม่ได้ไปถึงนิพพานจิตที่ยังทําบุญทำบาปยังกลับมาเกิดอยู่ก็จะเวียนว่าอยู่ในไตายพบพบทั้งสามกามาพบก็คือพบของเทวดาของมนุษย์ของเดรัจฉานของเปรต ของอสุรกายของสัตว์นรกเพราะจิตใจของสัตว์เหล่านี้ยังเสพกามกันอยู่ยังมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะยังหาความสุขจากการเสพกามอยู่เทวดาก็ยังเสพกามอยู่เพียงแต่ากามของเทวดานี้เป็นกามทิพย์คือเป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ ส่วนมนุษย์นี่ก็เสพกามแต่เป็นกามหยาบคือกรารที่ต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกวิ้นกายถึงจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่หยาบได้พวกเดรัจฉานเขาก็เสพกรารเหมือนกันแต่ถ้าเขาเสพกามด้วยการก็ทำบาปกันก็ถึงไปเป็นเดรัจฉานถึงไปเป็นเปรตถึงไปเป็นอสูรลกายนถึงไปตกนรกกัน ส่วนพวกที่นั่งสมาธิทําใจให้สงบเข้าสู่ระดับรูปฌานได้ก็จะไปเกิดในรูปประพบอันนี้คนละพบกับกามะพนะตายพบนี่มีสามพบมีกามะพบมีรูปประพบและอรูปประพบรูปประพบก็คือที่อยู่ของพวกที่บรรลุฌานรูปฌานหนึ่งถึงรูปฌานสี่ส่วนพวกที่ ได้อรูปฌานหนึ่งถึงอรูปฌานสก็จะไปสู่อรูปรพบเนี่ยนี่คือพบที่มีอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจของพวกเราก็จะขึ้นลงขึ้นลงกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับจิตใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหลานตัสสาวก ผู้ที่ได้ค้นพบวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบผู้ที่ค้นพบวิธีนี้คนแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าสาเหตุที่ทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ก็คือตัณหาความอยากหรือ ท่านทรงจำแนกความอยากต่างๆในรูปแบบของสังโยชน์สังโยชน์สิบประการสังโยชน์นี้เป็นเหตุที่จะดึงให้จิตใจของสัตว์โลกของพวกเรานี้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าเราละละสังโยชน์ที่มีอยู่สิบข้อนี้ได้จิตก็จะไม่มี สังโยชน์ที่เป็นเหมือนบ่วงที่จะลัดจิตให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจําเป็นต้องละสังโยชน์สิทธิประการหรือชําระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์สังโยชน์นี้ก็เป็นตัวกิเลสต่างๆเพียงแต่ถ้าพูดกิเลสโดยรวมก็เรียกว่าโลกกฎหลง หรือการะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแต่ถ้าแยกให้มันละเอียดเข้าไปมันก็จะกลายเป็นสังโยชนิสิประการสังโยชนิสิบประการนี้ก็เป็นกิเลสหรือตันหาที่จะดึงให้จิตยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในตายพบเหถ้าเราผู้ปฏิบัติได้เข้าสู่ขั้นระดับปัญญา คือขั้นชำระจิตใจให้สะอาดซึ่งเป็นคำสอนข้อที่สามของพระพุทธเจ้าข้อแรกต้องรักษาต้องลกะงล ก, การกระทำบาปทั้งปวงให้ได้ก่อนต้องรักษาความเป็นมนุษย์ให้ได้ก่อนแล้วข้อที่สองก็ให้ทำบุญทำกุศลดั้งหลายให้ถึงพร้อมเพื่อจะได้ก้าวจากขั้นของมนุษย์ขึ้นสู่ขั้นขั้นเทพแล้วก็ขั้นที่สามก็ให้ฝึกจิตทาใจให้สงบ นั่งสมาธิก็จะขึ้นสู่ระดับรูปปภูมิกับอรูปปภูมิพอได้ถึงขั้นรูปปภูมิอรูปปภูมิแล้วขั้นต่อไปก็ให้เจริญปัญญาเพื่อที่จะได้มาละกิเลสตัณหาหรือสังโยชนิประการสังโยชน์สามข้อแรกเรียกว่าวิจิกิจ เ, เรียกว่ า, าสักกายทิฏฐิ ความเห็นที่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วก็วิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่แล้วก็ศีลรัปตะปรมา m การกระทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อกาจัดความทุกข์ความไม่สบายใจ การกระทําเหล่านี้เป็นการกระทําที่จะทําให้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะไม่ได้ไปแก้ปัญหาตัวที่ทําให้เราต้องมาพบกับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นว่าเหตุที่ทําให้มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือความอยาก ความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดได้ก็จะละร่างกายได้ละสกายะทิฏฐิได้ mm hmm. โดยการพิจารณาว่าเห็นว่าการมีร่างกายนี้เป็นทุกข์มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย แล้ถ้าไม่ต้องการจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องละตันหาความอยากต่างๆเมื่อพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วถ้าไปมีร่างกายก็จะต้องกลับมาเกิดการจะมีร่างกายก็เพราะความอยากอยากอยู่ไม่อยากตายอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ พอร่างกายตายไปความอยากมีร่างกายก็ยังมีอยู่ก็จะทำให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เห็นผู้ที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะละกามตัญหาละความอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆปล่อยวางร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกาย ไม่ได้เป็นร่างกายถ้าละสักกายทิฏฐิได้ก็จะละละความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกนี้เกิดจากความอยากตัณหาความอยากตา่างๆแล้วเมื่อละเห็นว่าการละตัณหาจะทำให้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็เลยทําให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็มีจริงเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมสามารถทําให้จิตหลุดพ้นจากการยึดติดในร่างกายได้ ผู้ที่สามารถล ะ, ะได้ละส ก, กายะทิฏฐิได้กจร ะ, ะวิจิกิจฉาได้แล้วก็จะะะะระศีลภัตตปรมาตยได้เพราะรู้ว่าพิธีกรรมต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจนี้ต้องดับด้วยการละตันหาความอยากต่างๆเหตุที่เราทุกข์ใจกันก็เพราะเราอยากให้ชีวิตของเราดีจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มันตกต่ําเราก็เลยไปหาหมอดูไปหาซินแสไปหาพิธีกรรมต่างๆสะเดาะเคราะกันวุ่นวายไปหมดเพราะคิดว่าเมื่อได้สะเดาะเคาะแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขขึ้นมาความสุขของเราความสุขความทุกข์ของเรามไม่ได้เกิดจากการเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ําของชีวิตอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเรามันถ้าชีวิตมันตกต่ําถ้าเรา ไม่มีความอยากไม่ให้มันตกต่ําเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะตกต่ําก็มันตกต่ําไปเราก็รู้ว่าอยู่ในโลกนี้มันต้องมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาอยู่ในเรืโลกของลาบยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นโลกโล ก, กธรรมที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญก็มีเสื่อมได้มีเกิดก็มีดับได้ผู้ที่มีปัญญาก็จะไม่ไปแก้ที่ ที่ที่ลาบยศสัระเสริญแต่มาแก้ที่จิตใจที่มีไป ท, ที่ที่มีความอยากได้ลาบยศสลระเสริญที่มีความอยากให้ลาบยศสัระเสริญสุขนี้มีแต่เจริญมีแต่อยู่ไปนานๆพอรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันมีเจริญมีเสื่อมได้เวลาเสื่อมก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากไม่ให้มันไม่เสื่อมนั่นเอง แต่ผู้ที่มีความอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสรินสุขนี้เสื่อมก็จะเดือดร้อนก็จะต้องวิ่งหาหาหมอดูหาหาสินแสหาคนที่สามารถที่จะมาะประกอบพิธีกรรมเพื่อบำบัดความเสื่อมของลาบยศสรรเสรินสุขนี้ได้แต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะไปควบคุมบังคับการเจริญหรือการเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขได้ ทุกคนจะต้องเจอกับมันทุกคนจะเจอแบบสุขหรือไม่สุขหรือจะเจอแบบทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นเองถ้ามีปัญญาก็จะไม่ก็ไม่ทุกข์กับความเสื่อมหรือความเจริญจะรู้สึกเฉยเฉยอันนี้ก็เป็นการละสังโยชน์สข้อผู้ที่ละสังโยชน์สามข้อได้นี้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง ก็สามารถตัดภบชาติที่จะต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินหรือไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมาก mm hmm. และถ้าจเจริญปัญญาขั้นต่อไปได้แล้วสามารถทำให้สังโยชน์อีกสองข้อเบาบางลงได้ mm hmm. ก็จะเป็นพระสะกิดาคามีสข้อสังโยชน์สองข้อก็คือกามราคะกับปฏิฆะ การมาราคะก็คือความอยากเสพกางการอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เพราะเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิฆะขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็ต้องระบายความหงุดหงิดด้วยการไปร่วมหลับนอนกับคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนได้มันก็ระบายได้ชั่วคราวความหงุดหงิดก็จะหายไปแต่เดี๋ยวอีกไม่อีกสักพักหนึ่งความอยากจะเสพ การมาราคะก็โผล่ขึ้นมาอีกความหุดหิดก็ตามมาอีกวิธีที่จะแก้ก็ต้องแก้ที่การต้องระ ง, งับการมาราคะอย่าไปทําตามการมาราคะวิธีที่จะละการมาราคะได้ก็ต้องดูอสุภะกันดูความไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปดูร่างกายที่สวยงามถ้าดูร่างกายที่สวยงามแล้วมันก็จะเกิดการมาราคะขึ้นมา ถ้าดูร่างกายที่ไม่สวยงามเช่นดูซากศพเนี่ยดูคนตายนี่ดูเท่าไหร่รับรองได้ว่าการมราคะไม่เกิดขึ้นมาอย่างแน่ น, นอนแต่ถ้าไปดูนางงาม ด, าดาาูภาพดาราภาพภาพยนตร์ดูนายแบบดูนางแบบนี้มันผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วอันวิธีที่จะแก้ความหงุดหงิดที่เกิดจากการมาลาคะก็คือไม่ต้องอย่าไปเสพกามอย่าอย่าไปดูภาพที่สวยที่งาม ให้ไปดูภาพที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายอันนี้ก็จะทำให้ทำให้การมาราคะเบาบางลงได้แต่ยังไม่หมดที่เบาบางก็คือหมายความว่าบางเวลาก็นึกถึงอสุภะได้บางเวลาก็นึกไม่ถึงก็ยังมีความอยากบ้างเบื่อบ้างแล้วแต่กําลังของอสุภะที่มีอยู่ถ้า ถ้ายังแบบเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็จะทำให้กรรมราคะนี้เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดผู้ที่จะทำให้การมราคะและปฏิฆะหมดนี้ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สามคือพระอนาคามีพระอนาคามีนี้ท่านจะเจริญอสุภัยอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมจำได้ตลอดเวลา เวลาเห็นภาพสวยงามปั๊บก็จะนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามทันทีมันก็จะมาหยุดการมาราคะได้ทันทีจนไม่มีการมราคะโผล่ขึ้นมาอีกต่อไปถ้าถ้าบรรลุ ข, ขั้นที่สองคือขั้นพระสะกิดาคามีดานี้ท่านบอกว่าการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เหลืออีกเพียงหนึ่งชาติเป็นอย่างมากนะครับ ถ้าชาตินี้ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าขึ้นเหนือกว่าขั้นสกิรดาคามีได้ก็ต้องกลับมาเกิดมาเจริญต่ออีกครั้งหนึ่งมาเจริญทำปัญญานี้ให้ขึ้นสู่ขั้นอาณาคามีและขั้นพระอาหารหันต์ต่อไปแต่ถ้าได้ขั้นที่สามได้ขั้นพระอาณาคามีสามารถหยุดกามราคะได้ตลอดเวลา จิก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากใช้ร่างกายนี้ไปเสพกามนั่นเองการที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดในกามมาพบก็เพราะว่าเรายังมีการมาราคะกันอยู่แต่ถ้าเรามีอสุภะคอยฟ้องคอยคอยกำจัดการมราคะนี่การมราคะก็จะหดหายไปโผลขึ้นมาไม่ได้ตายไปในที่สุดนะ ต้องตายด้วยปัญญามตายด้วยสมาธิก็ตายด้วยชั่วข่าวพวกที่ได้รูปปัจจานารูปปัจจานจากการเพ่งเช่นเพ่งดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธนี้ยังยังไม่ได้กำจัดกา ร, รมรารคะาเพ่งแต่กดมันไว้ได้ไปอยู่ชั้นรูปประรมารูปประรมแต่เวลาสติอ่อนกำลังเมื่อไหร่กา ร, รมรารคะาก็จะดันจิตให้เสื่อมลงมาให้ประเสพกา ร, ร ขั้นชั้นของเทวดาและของมนุษย์ตามลําดับต่อไปแต่ผู้ที่สามารถกําจัดการมราคะได้ด้วยอสุภะนี้ก็จะไม่มีจิตจะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดในกามาพุอีกต่อไปผู้ที่ได้บรรลุอนาคามีถ้ายังไม่ได้รบรรลุขั้นอรหันต์ตายไปก็จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแต่เป็นสวรรค์ชั้นพรหมที่ได้ด้วยการ จเจริญอสุภะต่างกับสวรรค์ชั้นพรมพที่ได้จากการจเจริญสติจากการจเจริญอานาปนาสติหรือพุท ธ, ธานุสติเพราะว่าจะเป็นจ ะ, จะไม่เสื่อมนั่นเองถ้าจเจริญด้วยอสุภะด้วยปัญญานี้มันจะไม่เสื่อมถ้าจเจริญด้วยสติมันยังเสื่อมได้แล้วพอขึ้นไปขั้นของพระอนาคามีแล้วก็มีสังโยชน์อีกห้า ห้าชนิดด้วยการที่จังกรจัดเนี่ยคือ 1. รูปราคะสองอรูปราคะอุทัจจะสมานะหอวิชชานี่เป็นสังโยชน์ที่จะผูกจิตยังจะผูกจิตให้ติดอยู่ในภพมโลกอยู่ผู้ที่จะหลุดออกจากภพมโลกเพื่อเข้าสู่พระนิพพานนี้จำเป็นจะต้องกําจัด รูปราคะรูปราคะก็คือความยินดีในรูปปัจจาจิตของผ้านาคามีนี้อยู่ในระดับรูปปัจจานอยู่ในระดับอรูปปัจจานโดยอัตโนมัติก็จะติดความสุขของรูปปัจจานและอรูปปานแต่พอใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่ารูปปัจจานอรูปปัจจานก็ไม่เที่ยงมีเจริญก็มีเสื่อมเวลาเสื่อมความสุขที่ได้จากรูปปัานก็เสื่อมไป ความทุกข์ที่ละเอียดก็โผล่ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องเลิกเสพรูปประชามเลิกเสพอรูปประชามเหมือนคนที่ติดบุหรี่หรือติดกาแฟาอนี้เวลาดื่มกาแฟาก็มีความสุขสูบบุหรี่ก็มีความสุขพอเวลาไม่ได้ดื่มไม่ได้เสพไม่ได้สูบก็ก็จะมีความทุกข์ตามมาผู้ที่เสบรูปรรประชามรูปประชามก็เหมือนกันเวลามีรูปประชามให้เสพก็สุข เวลาไม่มีก็ทุกข์เพราะรูปประชาติมันก็ขึ้นขึ้ น, นลงลงมีเจริญมีเสื่อมยังเป็นอนิจจังอยู่ถ้าปฏิบัติไปก็จะเห็นเองภายในจิตก็จะละรูปราคะอรูปราคะได้ด้วยการเห็นว่ามันเป็นตายรักษณส่วนอุทจฉานี่ก็เป็นความฟุ้งซ่านของจิตที่มีความปรารถนาที่จะหาหนทางที่จะทําให้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดอย่างพระอรนนท์นี้ท่านก็เกิดอุทธาจักขึ้นมาจึงทำให้ท่านไม่สามารถบรรลุพะนิพานได้เพราะจิตท่านก็กังวลคิดถึงคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าภายในสามเดือนนี้จะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่วันวันนี้คืนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่จิตก็ยังไม่หลุดจิตก็เลยกังวล ไปกับอดีตกับอนาคตกังวลว่าพระพุทธเจ้าทํานายแล้วแต่ตนเองไม่สามารถทําได้ก็เลยวิตกกังวลจิตใจก็เลยไม่นิ่งไม่สงบไม่ปล่อยวางยังมีความอยากที่จะหลุดพ้นอยู่แต่พอใกล้สว่างก็เห็นแล้วว่ายังไงก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้แล้วก็เลยตรงอายอมหยุดความอยากไปพระนิพพาน พ็หยุดตันหาความอยากไปนิพานหยุดอุทธัจจะความพุ่งสร้างได้จิตก็หลุดพ้นได้นี่ก็เป็นสังโยชน์อีกตัวหนึง่งส่วนอีกตัวนึงก็มานะก็คือการถือตัวการถือตัวคือการคิดว่าตนเองสูงกว่าคนนั้นเท่ากับคนนี้ต่ำกว่าคนนั้นแล้วพิจารณาดูแลก็ปันเพียงแต่เป็นความคิดเท่านั้นเองเป็นสมมติ คนเราสูงต่ำก็สูงต่ำเพราะบุญเพราะบาปแต่โดยหลักแล้วคนเราเหมือนกันทุกคนมีร่างกายมีจิตใจเหมือนกันก็สามารถจะละมานะได้อวิชาก็ละความอยากที่จะให้มีแต่ความสุขภายในจิตที่ยังไม่เป็นจิตที่ที่บริสุทธิ์จิตที่ไม่บริสุทธิ์นี้ก็ยังมีความสุขความทุกข์ซ่อนเล่นอยู่สลับกันไปสลับกันมา ต่อไปก็จะเห็นก็แล้วก็จะสามารถปล่อยวางความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตได้จิตก็จะหลุดพ้นอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องกลับมาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจิตก็จะเรียกว่าเป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันตสาวกเป็นจิตที่ปราศจากสังโยชน์ทั้งสิบ ป, ประการปราศจากสักยายทิฏฐิ วิจิตจฉาศีลพัตปารามาการมราคะปฏิคะรูปราคะอรูปราคะแล้วก็อุทธัจจะมานะอวิชานี่คือกิจของผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากวัตตะอันการเวียนว่ายตายเกิด น, นอกจากการไม่ทำบาปทั้งปวงและการยังกุศลให้ถึงพร้อมแล้ว ยังต้องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้เมื่อชำระสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ได้หมดแล้วจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี้แหละเที่ยก็นิพพานนิพพานไม่ได้เป็นสถานที่นรกสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของจิตที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปหรือเกิดจากการชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อชำละจิตให้สะอาดบริบสุทธิ์ได้แล้วก็จะเป็นนิพพานไปไม่มีเชื้อของภพของชาติไม่มีเหตุที่จะดึงจิตให้ไปเกิดอีกต่อไปก็คือกิเลสตัณหาต่างๆในรูปแบบของสังโยนนี่เองนี่คือเรื่องของความแตกต่างของจิตใจของพวกเราที่นั่งอยู่กันตรงนี้พวกเราอาจจะมีร่างกายเหมือนกันแต่จิตใจของพวกเรานี้อาจจะไม่เหมือนกัน จิตใจบางท่านอาจจะเป็นมนุษย์บางท่านอาจจะเป็นเทวดาบางท่านอาจจะเป็นพรหมบางท่านอาจจะเป็นอริยบุคคลหรือบางท่านอาจจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ท่านได้ทำกันไว้ในแต่ละวันนี้ดังนั้นถ้าท่านอยากจะพัฒนาจิตใจของท่านให้สูงให้ดีให้มีความสุข ก็ต้องหมั่นปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามประการนี้คือละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำ่ละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าท่านทำได้ทั้งสามข้อนี้จิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นนิพพานไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็คิดว่า การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดไวเพียงเท่านี้ออลาดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าจะของดตอบคำถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วดังนั้นใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้ายังไม่มีก็จะให้ญาติโยมนำเอาคำถามที่ทางบ้านฝากถามมาถามก่อนคําำถามจาก Facebook คำถามแรกจากคุณนพดลค่ะผมมีคำถามคือภาวนาตัดลมหมายถึงอะไรและทำอย่างไรครับอ๋อไม่ทราบนะภาวนานี้เราไม่ตัดลมเราให้ดูลมให้เพ่งดูลมเพื่อใจใช้เป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปลอยมา ใจเราปกติก็เป็นเหมือนกับว่าเ ว, ว่าวนี้ถ้าเราไม่มีเชือกดึงมันไว้ผูกมันไว้มันก็จะลอยไปตามลมใจของเราถ้าไม่มีสติผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นเหมือนเว่าวที่ลอยไปในท้องฟ้านี่มันก็จะลอยไปเรื่อยๆ ถ้าเราอยากจะให้เว้ามันนิง่งเราก็ต้องดึงเชือกไว้ผูกมันไว้กับต้นไม้หรือถือมันถ้าเราอยากให้จิตนิง่งมันก็ต้องมีอะไรผูกจิตรกรรมฐานนี้แปลว่าเครื่องผูกจิตมี40ชนิดด้วยกันชนิดที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยที่สุดก็คือพุทธานุสติหรืออาณาปณนสติ ถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็ใช้คําบริกรรมผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราใช้อนาปนาสติเราก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกเป็นการผูกจิตไม่ให้ใจลอยไปลอยมาให้ใจนิ่งให้สงบการนั้นการตัดลมนี้ไม่ทราบนะว่าเขาเปตัดไปทำอะไรแต่ที่ทางปฏิบัติสายกรรมฐานนี่เราดูลม เาเพ่งดูลมใช้ลมนี้เป็นเครื่องผูกใจไว้เพื่อไม่ให้ใจลอยไปลอยมาให้ใจนิ่งให้ใจรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิต่ตอไปคำถามจากคุณจิตทิพย์ค่ะจะปวดหัวมากๆทรมานจะสู้กับอาการนี้อย่างไรให้ตัวเองปกติคะคือเรื่องของความเจ็บของร่างกายมันก็เป็นเรื่องของร่างกาย จิตของเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันก็ได้ถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ถ้าเราไม่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายเลยเช่นเวลาร่างกายคนอื่นเขาเจ็บขนาดไหนปวดขนาดไหนเราไม่ไปทุกข์ไปปวดกับเขาเลยก็เพราะเราไม่ไปถือว่าเขาเป็นเรานั่นเองฉันั้นร่างกายที่เรามีอยู่นี้มันก็ไม่ได้เป็นเราแต่ความหลงมันไปทำให้เราคิดว่าเป็นเรา พอหลวงคิดว่าเป็นเราพอมันเป็นอะไรเราก็เลยทุกทรมานไปกับมันเพราะเราอยากให้มันไม่เป็นนั่นเองยิ่นถ้าเราไม่อยากจะทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเราต้องปล่อยวางมันอยากไปอยากให้มันหายปล่อยมันเป็นไปมันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นเดี๋ยวมันจะดับก็ดับเองทุกอย่างมันไม่เป็นถาวรหรอกมันก็ต้องมีเจริญมีเสื่อมไปตาม ตาเหตุตามปัจจัยถ้าเรารักษาได้ก็รักษากันไปไปหาหมอหายารักษาไปแต่ใจเราอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปทุกข์เพราะความอยากให้มันหายถ้ามันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปเราจะอยู่กับมันอย่างไม่ทุกข์จากคุณอัญมณีสีฟ้าค่ะรบกวนขอวิธีฝึกวิปัสสนาค่ะ ก็อย่างที่สอนเนวิปัสสนาก็คือให้เห็นความจริงของสิ่งที่เรามาเกี่ยวข้องอยู่เช่นร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่วิปัสสนาความหลงมันทําให้เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันจะเป็นตัวเราของเราได้ยังไงมันเป็นของพ่อของแม่มาไม่ใช่เลยใครเป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาอพ่อแม่เป็นคนสร้างสร้างแล้วก็มอบให้เราเป็นของขวัญ เราเป็นดวงวิญญาณเราก็มารับไปดวงวิญญาณกับร่างกายนี้เป็นคนตัวส่วนกันดวงวิญญาณเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาที่มีร่างกายแต่จิตใจไม่มีปัญญาไม่มีใครสอนก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายเราก็เลยต้องมาเจริญวิปัสสนามาสอนจิตใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราให้ปล่อยวางร่างกายเพราะถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับร่างกาย เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายนี้เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับเห็นร่างกายของคนอื่นคนอื่นเวลาเขาตายเวลาเขาเจ็บเราไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์เลยก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองเรนั้นปัญหาอยู่ที่ความหลงที่ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเราทิ้งต้องมาวิปัสสนากันมาสอนใจเตือนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา แล้วก็ให้ปล่อยวางวิธีที่จะปล่อยวางก็ต้องทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาถ้าจิตไม่เป็นอุเบกขาก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันจะไม่ยอมให้ปล่อยแต่ถ้าเราทําใจให้สงบได้เป็นอุเบกขาได้กิเลสมันจะไม่มีกําลังที่จะไปะเดี่ยวร่างร่างกายไว้ให้เป็นให้อยู่กับมันต่อไป งั้เราต้องมีทั้งวิปัสสนาและมีสมาธิคือสมถะถึงจะสามารถปล่อยได้ตอนนี้เรามีวิปัสสนาแนละ้วเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เราปล่อยไม่ได้เพราะเราไม่มีความสงบไม่มีอเุเบกขาพอร่างกายเป็นอะไรใจไม่สงบแล้วใจวุ่นขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอุเบกขามีความสงบพอใจเป็นอะไร พอร่างกายเป็นอะไรเราก็ทําใจให้สงบเฉยๆไปเท่านั้นเองนั่นเราเรียกว่าปล่อยปล่อยด้วยการวางเฉยปล่อยวางด้วยการไม่ไปยุ่งกับมันมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ใจจะไม่ทุกข์ถ้าใจอยู่เฉยๆใจมีอุเบกขาดังนั้นถ้าเรายังไม่มีความสงบไม่มีอุเบกขายังอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องมาฝึกทําสมาธิกันนะพอเราทําสมาธิเป็นแล้ว เวลาใจมันวุ่นวายกับร่างกายเราก็สั่งให้มันเฉยๆได้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะมีกลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวกันในนามชมรมพุทธหลายๆมหาวิทยาลัยซึ่งมีแนวคิด ที่จะหล่อพระแล้วนำมาจำน่ายสแสวงหากาไรเพื่อหาเงินไปทำกิจกรรมต่างๆจึงอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าการกระทำดังกล่าวผิดบาปหรือไม่และถ้าผิดบาปเราในฐานะสมาชิกชมรมหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรเมื่อมติเสียงส่วนใหญ่ของชมรมพุทธจากมหาวิทยาลัย อ, อื่นๆเห็นชอบให้มีการสร้างพระเพื่อจหนายขึ้นค่ะ คือเป็นความหลงผิดไงเาเป็นความเห็นผิดของกิเลสตัณหาที่มันเห็นช่องว่ า, ามีช่องหาเงินด้วยการใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องม้เครื่องมือด้วยการหล่อพระแต่ถ้าถ้าไปเที่ยวกันนี้ก็ไม่กล้าที่จะมาหล่อพระแล้วอาพระมาขายกันแล้วเพื่อที่รายไปท่องเที่ยวกัน แต่ถ้าทากิจกรรมทางพุทธศาสนามันก็จะมีข้ออ้างว่าทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งความจริงการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนานี้ควรจะทำจากการเสียสละของเราเสียสละกำลังทรัพย์เสียสละกำลังกายเพราอจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่การที่เราจะไปหาเงินหาทองมานี่แสดงว่าเรากาลังโลภกันแทนที่จะยอมเสียสละทรัพย์ เรากลับไม่ยามเสียทรัพย์ของเราเราก็ไปหาวิธีหาทรัพย์ของผู้อื่นมาเสียแทนการทํากิจกรรมแบบนี้ก็เลยไม่ได้บุญได้กุศลกลับได้กิเลสตัณหาไปยังไม่ควรทําเรื่องการเลี่ยลายเรื่องการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาทํากิจกรรมของทางศาสนาการทํากิจกรรมทางศาสนานี้ท่านบอกว่าให้เราใช้เงินทองที่เรามีอยู่นี้ ที่เราไม่ต้องใช้ที่เราหรือว่าเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ควรใช้เช่นเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปเล่นกันนี้เอาเงินส่วนนี้มาทำกิจกรรมทางาศาสนาจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปเลี่ยไรหาเงินหาทองเพื่อมาทำกิจกรรมมันจะไม่ได้บุญได้กุศลมันจะได้กิเลสมันจะโลภอยากจะได้เงินของคนอื่นเพื่อเอามาทากิจกรรม ฉันพยายามอทําทแบบนี้ถ้าอยากจะทํากิจกรรมให้ใช้ทรัพย์ของเราฉันอยากจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็เอาทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยเอาเงินที่เราจะไปซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้ อ, อ, อแหวนซื้อสร้อยซื้ออะไรที่มันไม่จําเป็นจะต้องซื้อ เ, เอามาทําหนังสือแจกอย่างเงี้ยจะได้บุญได้กุศล ไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านไม่ต้องไปเรียรายแต่ถ้าเขารู้เขาอยากจะร่วมบุญก็อย่าไปปฏิเสธให้เขามีส่วนร่วมบุญได้แต่อย่าไปทำแบบเอาเงินของคนอื่นมาทําบุญเราไม่ได้บุญหรอกเสียเวลาเปล่ า, าเราต้องเอาเงินของเรามาทําเราถึงจะได้บุญจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะลูกมีเรื่องไม่สบายใจไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรในการปฏิบัติธรรม ข้อแรกลูกก็หาดูใจกับผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้เลยว่าเขามีภรรยาและลูกแล้วเขาบอกเพียงแต่ว่าเขาเลิกรากับภรรยาเก่าไปแล้วมีแต่ลูกติดมาลูกคิดทบทวนดีจึงคบต่อเห็นว่าเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมเหมือนกันกันกบลูกอ ย, อยู่มาวันหนึ่งภรรยาเขาโทรมาและบอกความจริงลูกทราบจึงได้เลิกรา เเพราะว่ารู้สึกตัวว่าไม่ได้ตั้งใจปิดสินข้อสมไม่ได้ตั้งใจจะแย่งคนรักของใครปัญหามันคาใจอยู่ที่ว่าลูกเองได้มีความสัมพันธ์กับชายคนนี้ทุกวันนี้ก็แผ่เมตตาให้เขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกันอีกเลยและใช้ชีวิตโดยลำพังอยากให้พระอาจารย์ชี้ทางสว่างให้แก่ลูกด้วยค่ ะ, อ, ะอย่าให้ชี้สว่างยังไงก็รู้อยู่แล้วก็เลิกกันไปก็หมดเรื่อง จะรู้ว่าเขามียังมีครอบครัวอยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็ถูกแล้วเราหน้าเวลาจะคบค้าสมาคมกับใครก็คนศึกษาประวัติาหานักสือไปตรวจไปสอบดูว่ามีครอบมีครัวหรือเปล่าข้อสองค่ะการปฏิบัติธรรมของลูกนั้นตอนนี้เมื่อตื่นก็กำหนดสติว่าตื่นแล้วหนอทุกอริยบทที่เมื่อเอาสติจับได้ก็จะอยู่กับปัจจุบันขณะ ว่างเว้นจากการทํางานก็จะอาศัยบ้านนี้แหละเป็นที่ปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระไม่ได้สวดมนต์มากนะักหนักจะไปทางฟังธรรมและนั่งสมาธิเจ้าค่ะขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้ลูกด้วยก็ทําถูกแล้วทําให้มากๆทํำบ่อยๆทําให้ได้ผลจะได้ผลก็คือต้องไม่คิดอะไรการมีสตินี้ก็เพื่อยับยั้งความคิดต่างๆ ให้จิตเหลือแต่ตัวรู้ให้สักแต่ว่ารู้อย่าใช้ตัวคิดให้ใช้ให้เหลือใช้แต่ตัวรู้ตัวเดียวพอเพราะถ้าจิตคิดแล้วมันจะไม่สงบถ้าจิตหยุดคิดแล้วมันก็จะสงบแล้วก็จะสบายมีความสุขแล้วมันก็จะกําจัดความโลภความอยากต่างๆได้คำถามจากคุณก้อนทิพย์ค่ะ เวลานั่งสมาธิบางครั้งรู้สึกว่าตัวลอยได้บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนทราบนะคะว่าแขนขาอยู่ตรงนี้ท่านี้แต่เหมือนจะไม่มีค่ะแล้วเราจะกําหนดอย่างไรได้คะให้สภาวะชนี้หายไปค่ะออแล้วอย่าไปสนใจมันให้กําหนดอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจ อย่าไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่ต้องไปรับรู้เรื่องราวต่างๆให้รู้ให้รู้อยู่กับลมหายใจให้รู้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำกับใจเพื่อให้ใจดิ่งเข้าสู่ความสงบนี่เป็นการนั่งสมาธิเป็นการฝึกจิตทำจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาขั้นต่อไปหลังจากที่เราได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วเวลาเราออกจากสมาธิเราก็ มาสอนใจให้ศึกษาถึงสิ่งต่างๆที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี้เราทุกข์กับมันเพราะอะไรเราก็จะเห็นว่าทุกข์เพราะความอยากอยากให้เป็นของเราอยากให้เหมือนเดิมพอมันไม่เป็นของเราพอมันไม่เหมือนเดิมเราก็ทุกข์กันดังนั้นเราต้องหยุดความอยากไม่ให้ชอบเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะความจริงเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาล้วความจริงเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงวันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นไปคำถามจากคุณเต๋ค่ะตามที่ผมเข้าใจจากคำสอนของหลวงพ่อคือเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิเกิดความสงบแล้วเราควรให้จิตพักอยู่ในความสงบนั้นเพื่อให้จิตมีกำลังและเมื่อจิตมีกาลังจากการได้พักในสมาธิ พอจิตเราได้ถอนจากสมาธิเราก็สามารถใช้จิตให้ปัญญาใช้จิตใช้ปัญญาในการพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์อยากทราบว่าข้อแรกหลักในการพิจารณานี้เราควรพิจารณาอะไรบ้างครับเกนะ็พิจารณาในสิ่งที่ทําให้เราทุกข์อยู่เราทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับสิ่งใดทุกข์กับคนใดเราก็พิจารณาเรื่องนั้นพิจารณาว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่ของเรา เราไปสั่งเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้เช่นวันก่อนเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้ก็ไม่ทราบมีคนมาบอกว่าทุกข์กับลูกทุกข์กับลูกก็พิจารณาสิว่าทําไมเราถึงไปทุกข์กับลูกก็เพราะว่าเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอลูกไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าก็เป็นตามที่เราอยากเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมทำไมแล้วทำไมเราไปทําให้เขาเป็นไปตามความอยากเราไม่ได้ ก็เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจของเราที่จะควบคุมบังคับสั่งเ้าให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เ <c oughs> มื่อเราควบคุมบังคับก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริง <c oughs> ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเหมือนอยากจะให้มลกรกลายเป็นส้มนี้เป็นไปได้ไหมไปนั่งเดี๋ยวก็ทุกข์กับมันทุกข์กับมลกรเพราะมันไม่ยอมเป็นส้มอันนี้ก็เหมือนกันให้พิจารณาเรื่องที่เราทุกข์ มันจะเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นบ้างอยากให้เขาเป็นอย่างนี้บ้างพอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่ไปอยากแล้วเราไม่ทุกข์เลยคนที่เราไม่ไปอยากด้วยเราทุกข์ไหมไม่เดือดร้อนลูกคนอื่นทำไมเราไปทุกข์กับเขาลูกชาวบ้านมันจะไปะเสพยาเสพติดมันจะไป ไ, ไปป้นไปจี้ไปทาอะไรเราเห็นไปทุกข์กับมันเลยลเพราะเราไม่มีความอยากอะไรกับเขาใช่ไหม งั้นเราต้องมองลูกของเราเหมือนกับลูกของชาวบ้านแล้วเราจะได้สบายใจเรามีหน้าที่สั่งสอนก็สั่งสอนมันไปส่วนมันจะทําตามหรือไม่ทําตามมันก็เรื่องของมันเราเราจะไปห้ามมันได้อย่างไรคําถามข้อสองค่ะต้องมีลําดับในการพิจารณาใหมครับก็อะไรมาก่อนงอนนั้นแหละทุกตัวไหนก็ตัวนั้นก่อนเลยข้อสามค่ะพิจารณาอาการ ปวดเมื่อยหรือคันตามร่างกายได้ไหมครับได้พิจารณาแล้วก็อย่าไปเกามันเถ้าจะพิพจารณาได้ปล่อยมันคันไปเราอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับผิวหนังถ้าเกามันบ่ยบอยๆเดี๋ยวกลายเป็นแผลขึ้นมาได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะความสูญเสียพลัดพรากช่างโหดร้ายมากค่ะ ทุกทรมานใจมากคิดถึงลูกชายคะ่ะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโชคชะตาโหดร้ายลูกแม่กาตันยูต้องมาจากแม่ก่อนเวลาอันควรแม่คิดถึงลูกเหลือเกินใจจะขาดพระคุณเจ้าคะทําใจยากเหลือเกินทํายังไงดีครับก็หยุดคิดถึงเขาเลยพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราไม่คิดถึงเขามันก็ความทุกข์ก็จะหายไปโดยคิดว่าเขาไม่ได้เป็นลูกเราแล้วเขาเป็น ลูกของสับเปลือกไปแล้วเรายกให้สัตบเปลือกไปแล้วก็ถือว่าจบกันมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นเหมือนความฝันที่มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะดึงมันกลับมาใหม่ได้เราก็ควรจะตั้งสติให้อยู่กับปัจจุบันและดําเนินชีวิตของเราต่อไปคําถามจากคุณประกอบค่ะคารวะไม่ได้ขอรับศีลไม่ได้ปฏิบัติศีลถือว่าผิดศีนหรือไม่ครับ การมีศีลไม่มีเสียงอยู่ที่ว่าการกระทําถ้าเราฆ่าสัตว์เนี่ยเรากา็เราก็บาปนะถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่บาปนะังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การขอหรือไม่ขออยู่ที่การกระทําบาปหรือไม่การกระทําบาปคําถามจากคุณใจบริสุทธิ์ค่ะอายตนะหกเราจะพิจราจราณาอย่างไรครับอายตนะหกคือมี อายะธนาภายนอกและอายะนาภายในอายะพายะนาภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะและธรรมารูปนี้เราเรียกว่าอายะนาภายนอกส่วนอยนายตนะภายในก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจเป็นของคู่กันอยนายตนะภายนอกกับอยายตนะภายในเช่นตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงลิ้นคู่กับรสจมูกคู่กับกลิ่น ร่างกายคู่กับผลทัพอใจคู่กับธรรมอารมณ์ของพวกนี้พอมาเจอกันปั๊บก็เหมือนกับน้ำมันกับไฟมันก็จะลุกขึ้นมาถ้ามีกิเลสมันก็จะลุกเป็นความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแต่ถ้ามีสติมีปัญญามันก็จะดับความรูปความไฟของความโลภโกรธหลงได้ยั้นที่เรามาฝึกมาปฏิบัติการเพื่อมาสร้างน้ำมาดับไฟ ของที่เวลาอายตนะมันมาเจอกั น, นเวลาตาเห็นรูปเห็นเงินทองนี่ไปไงใจลุกวาวขึ้นมาใช่ไหมร้อนขึ้นมาทันทีเห็นอะไรปับ๊บร้อนขึ้นมาทันทีพอมันร้อนถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ดับมันได้อย่างที่เมื่อกี้เทศเรื่องการมาราคะพอเห็นภาพสวยๆก็เกิดการมารุมขึ้นมาร้อนขึ้นมาพอเราเอาอัศวะมาปับ๊บมันก็ดับมันได้มันก็กลับ ไปสู่ปกตินี่คือเรื่องของอายตนะที่เราต้องสัมผัสรับรู้เพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจึงต้องมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลภภิ่นรสผลทพะแล้วถ้าเราไม่มีสติเราก็จะถูกกิเลสครอบงำ ม, มันก็จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถระ ง, งับความโลภกดลงความวุ่นวายใจต่างๆได้ ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีใจที่สงบที่สบายเราต้องมาฝึกสร้างสติสร้างปัญญากันหมดแนละ้วคำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณมนตรีถ้าในระหว่างเราบวชพระทาผิดศีลสังขาทิเศษข้อที่หนึ่งจากการตั้งใจหรือดีตั้งใจดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีท กาะทำเพียงครั้งเดียวก็รู้สึกผิดและสำนึกได้หลังจากนั้นก็พยายามปฏิบัติกฎของสงฆ์อย่างเคร่งครัดและได้สึกออกไปโดยยังไม่ได้แก้กรรมตัวนี้ถามว่ากรรมตัวนี้จะมีผลอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างในวิถีชีวิตคนธรรมดาถ้าจะแก้กรรมตัวนี้ต้องบวชเข้ามาใหม่หรือเปล่าครับคือการแก้กรรมนีก็เพื่อที่จะให้เราเค็ดหลาบต่อการการะทำผิดจต่ทาทำผิดแล้ว ถ้าก็จะไปขังคุกเราก็จะรู้สึกว่ามันมีโทษจากการกระทำของเราคราวต่อไปเราก็จะได้ไม่กล้ากระทำพระวินัยข้อห้ามต่างๆก็มีไว้เพื่อที่จะกาหลาบไม่ให้เราไปทําผิดซ้ำซากเพราะว่าถ้าเราทําผิดนี้เราจะต้องไปสารภาพต่อพระรูปอื่นคือไปเหมือนกับไปประจานตัวเราต่อผู้อื่นว่าเราได้กระทาผิดมันก็ทาให้เราอับอายขายหน้า เอาต่อไปเราก็จะได้ไม่กล้าทําผิดอีกถ้าเรายังไม่ได้ไปแก้มันขณะที่เราเป็นพระแล้วเราศึกไปมันก็ถือว่ามันก็หมดไปสําหรับช่วงนั้นช่วงที่เราไม่เป็นพระเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ความผิดข้อนี้ได้ก็ต้องรอตอนที่เรามาบวชใหม่แล้วก็ไปบอกอุปชาผู้บวชให้เราทราบว่าครั้งก่อนเราเคยบวชแล้วเรายังทําบาปอยู่เรายังไม่ได้สารภาพยังไม่ได้ชําระ ก็ให้อุปชาเป็นผู้พิจารณาว่าควรจะทำอะไรต่อไปคำถามจากคุณปลาณีขอถามความแตกต่างระหว่างเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเจโตแปลว่าจิตปัญญาเรียกว่าความรู้วิมุตติแปลว่าหลุดพน้นการหลุดพ้นนี้ท่านบอกว่ามีสองลักษณะ หลุดพ้นหด้นด้วยเจตวิมุตติกับหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตติคือความหมายมันถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะเข้าใจผิดคิดว่าหลุดพ้นได้ด้วยเจโตก็คือการเข้าสมาธิแล้วก็ถ้าหลุดพ้นด้วยปัญญาก็คิดว่าไม่ต้องมีสมาธิหลุดพ้นด้วยปัญญาแต่ความจริงความหมายของท่านหมายถึง คนที่มีเจโตวิมุตตินี้แสดงว่าเป็นคนที่มีความชำนาญในทางสมาธิมากกว่าทางปัญญาส่วนคนที่ดูดพ้นด้วยปัญญาวิมุตตินี้เป็นคนที่มีความชำนาญมากกว่าทางสมาธิแต่ต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสมาธิและปัญญา ถึงจะสามารถหลุดพ้นได้เช่นคนที่เป็นเจโตวิมุตตินี้อาจจะมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะ อ, อ่านจิตของคนอื่นได้นำนึกชาติได้มีความสามารถพิเศษทางสมาธิแต่คนที่ไม่มีก็ไม่ได้ถือว่าเขาไม่ไม่บรรลุดได้เขาก็ต้อง คนที่ไม่มีเจโตก็คือเป็นคนที่เข้าสมาธิได้ตามปกติเข้าสู่อัปปนาสมาธิเท่านั้นแต่ไม่มีความสามารถพิเศษจากการได้ทางสมาธิแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าผู้ที่จะต้องบรรลุนิน่นนอกจากมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยส่วนพวกที่เป็นปัญญาวิมุตตินี้เป็นพวกที่ฉลาดคิดเก่ง เห็นเหตุเห็นผลเห็นตายรักเห็นอริยสัจสีได้ง่ายได้และรวดเร็วแต่ไม่มีความชํานาญในการเข้าฌานเข้าสมาธิแบบที่จะให้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแยกพระโมกขลานะกับพระสาริบุตรเนี่ยพระสาวิบุตรนี้เป็นตัวอย่างของผู้มีปัญญาวิมุตติท่านมีความสามารถในในเรื่องของปัญญามาก สวงพระมกราะนะนี่ท่านมีความสามารถมากในทางด้านสมาธิด้านอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆแต่ทั้งสองท่านนี้ก็มีทั้งสมาธิและมีปัญญาแต่ท่านหนึ่งมีสมาธิมากกว่าอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งมีปัญญามากกว่าอีกท่านหนึ่งแต่ทั้งสองท่านนี้ต้องมีสมาธิและปัญญาที่พอเพียงต่อการที่จะทำให้กิเลสตัณหาตายไปจากใจได้ ดังนก็ขอให้เข้าใจความหมายอย่างนี้ว่าเจโตวิมุตติคือผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสมาธิส่วนปั ญ, ญาวิมุตติเป็นท่านที่มีความฉลาดที่รู้เข้าอกเข้าใจในเรื่องของทางปัญญาได้ลึกซึ้งกว่าผู้ผู้อื่นผู้ที่ไม่มีทางปัญญานี้แต่ก็บรรลุต้องบรรลุธรรมด้วยทั้ง ทั้งสมาธิและปัญญาด้วยกันทั้งคู่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าถ้าเรียนสองวิชาเก็ต้องผ่านสองวิชาต้องได้อย่างน้อยสองจุดแต่คนหนึ่งอาจจะวิชาหนึ่งได้สองจุดเ อ, ก, อกวิชาหนึ่งได้4ี่จุดคนหนึ่งอาจจะได้สองจุดทางสมาธิแต่ไปได้สี่จุดทางปัญญาอย่างนี้เราก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติส่วนอีกท่านหนึ่งได้สี่จุดทางสมาธิแต่ได้แค่สองจุดทางปัญญา อันนี้เราก็เรียกว่า เ, าเจโตวิมุตติไปคําถามจากคุณพัชรีเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้กับโชคชะตาเราควรสร้าง ก, กาลังใจให้ตัวเองอย่างไรเจ้าคะก็ให้คิดว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราชีวิตเราขึ้นลงส่วนหนึ่งก็เกิดจากบุญกรรมที่เราทํามาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากความเป็นสภาวะของความแม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลก ที่เรียกว่าอานิจจามีขึ้นมีลงอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ก็ใจของเราใจของเราก็ทําให้เป็นอุเบกขาไปเฉยๆไปมันจะขึ้นจะลงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเรายังสามารถมีความสุขได้เพราะความสุขที่แท้จริงของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขึ้นขึ้นลงๆของสิ่งต่างๆในโลกนี้ แต่ขึ้นอยู่กับการรักษาใจของเราให้สงบเป็นอุเบกขาถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการขึ้นขึ้นลงๆของสิ่งต่างๆของชีวิตของเราซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนที่จะต้องมีการขึ้นมีการลงเป็นธรรมดาคำถามจากคุณจงสินีการบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้สามารถอุทิศบุญให้ผู้ร่วงรับด้วยวิธีใดบ้างคะ ก็ได้ให้ไปแล้วเราก็อัทิศไปเลยคําถามจากคุณขวัญขอพระอาจารย์อธิบายรูปปัจจันทรูปปัจจันด้วยค่ะก็ไปอ่านใน Google ดีกว่าก็าจะมีบอกรายละเอียดว่ารูปปัจจันเป็นอย่างไรบ้างอารูปปัจจันเป็นอย่างไรบ้างรูปปรจจันหนึ่งเท่าที่จําได้ก็มีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขนี้ การนี้ก็คือคุณสมบัติของชาญชั้นต่างๆเราไปเสิร์ฟใน Google เขียนรูปประชานะรูปประชามันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราจําไม่ได้เพราะการปฏิบัติมันไม่ต้องไปจําชื่อไม่ต้องไปจำอะไรมันขอให้ดูเวลาเรานั่งแล้วมันสงบมันสบายมีความสุขก็พอละคําถามจากคุณตันหากระผมเคยเพ่งเทียนเพ่งลมหายใจอาการที่เกิดขึ้นในตัวกระผม มีปิติน้ำตาไหลขนลุกหัวจะหลดเท้าสามรอบโครงเพลงตัวหมุนติ้วติ้วรู้สึกว่าตัวมันหายไปแล้วสิ่งที่ปรากฏในใจคือกายเพชรที่ละเอียดและตานีตดมากตาแทบบอดผมตื่นเต้นตกใจเลยลืมตางดงามมากที่สุดในจิตแต่พอมาจับพุทโธไม่เกิดขึ้นอีกเลยมันว่างเปล่ากระผมอยากเห็นอีกครั้งจะได้เห็นอีกไหมครับ ความจริงการนั่งนี่เราไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการจิตให้สงบเพราะมีประโยชน์กว่ามีความสุขมากกว่าเฉะนั้นอย่าไปสนใจนั่งเพื่อให้สงบนั่งให้เพื่อให้ใจเป็นอุเบกขาจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราไปมีความสุขกับจากสิ่งที่เราเห็นเราก็จะเกิดตัณหาอยากจะเห็นอีกพอไม่เห็นเราก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ พ่อ <P our our> อยากจะเห็นแล้วไม่ได้เห็นเะฉะนั้นการนั่งนี้เราไม่ต้องการให้เห็นอะไรเราต้องการให้อยู่กับความว่างให้มีความสุขอยู่กับความว่างแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดเพราะความว่างนี่มันมีอยู่ทุกห่ทุกแห่งเราอยู่ที่ไหนคนเดียวเราก็อยู่กับความว่างแนละ้วแต่ถ้าเราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราเวลาเราไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะทุกข์เราก็จะว้าเวขึ้นมา ข้อที่สองพระอนาคามีจำเป็นต้องมีอภิญญาณมีฤทธเดชหรือไม่ครับ อ, อ่อไม่มีหรอกอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องความความสามารถพิเศษของแต่ละท่านมีก็ได้ไม่มีก็ได้พระอนาคามีนี้ท่านกำจัดสังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อได้ก็เป็นพระอนาคามีได้คำถามจากคุณพันธาลิกา มักจะได้ยินบ่อยๆว่าวันนี้ไปทําบุญมาขอแบ่งผลบุญกุศลให้กับทุกๆคนผลบุญกุศลแบ่งกันได้ไหมเจ้าคะเพราะเคยได้ยินว่าใครทํากรรมใดก็ได้รับกรรมนั้นไปบุญเป็นของใครคนนั้นก็รับไปก็ไม่ได้หรอกบุญของใครของมันก็พูดไปแบบแบบแผ่เมตตาไปอย่างนั้นเองคําถามจากคุณไทยเวลาจิตเรา เป็นสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไงครับว่าว่ามันสงบและความรู้สึกเป็นอย่างไรครับอ desperate. มันต้องรูไหนมันเหมือนกับกินข้าวกินข้าวอิม่มแล้วก็รู้เองว่าอิมอ่มไม่อิม่มไม่ต้องไปถามใครนั่งไปเถอดเวลามันสงบมันจะเหมือนเหมือนฟ้ากับเด่นหรือมมเหมือนมืดกับแจ้งเวลาสงบกับไม่สงบนี่มันเหมือนกับมืดกับแจ้งมันจะเห็นกันชัดเวลามืดมันเป็นอย่างหนึ่งเวลาสว่างมันเป็นอย่างหนึ่ง เวลามันสงบมันเป็นอย่างหนึ่งเวลามไม่สงบมันก็จะเป็นอีกอย่า ง, งอันนี้ไม่ต้องไปถามใครมันสันทิษติโก่อคถามจากคุณลูกแก้วทุกวันนี้ชีวิตทํางานต้องมีโอกาสได้เบียดเบียนกันแข่งขันหายอดรู้สึกว่าเหนื่อยคะ่ะเราจะต้องทําแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนจะทําอย่างไรให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เบียดเบียนและทําให้เรารู้สึกไม่ทุกข์มากคะ่ะ เราก็ต้องลดความอยากความต้องการในสิ่งต่างๆให้มันน้อยลงไปให้หัดเป็นให้หัดถือมากน้อยสันโดษก็มีน้อ ย, อยมีเท่าที่จำเป็นสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดทำไปแบบไม่ต้องเบียดเบียนกันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ได้มากได้น้อยมันอยู่ที่โลภมากหรือโลภน้อยถ้าโลภมากก็ทุกมากถ้าโลภน้อยก็ทุกน้อย ถ้าไม่โลภเลยก็จะไม่ทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขการเราม า, มาสร้างความสุขด้วยการกำจัดความโลภ ก, กันดีกว่าอย่ามาสร้างความสุขด้วยการมาหาสิ่งต่างๆในโลกนี้พอหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็ต้องไปเบียดเบียนกันไปแกล้งแย่งชิงดีกันไปเป็นเวรเป็นกรรมกันแทนที่จะมีความสุขกับมีแต่ความทุกข์ คำถามจากคุณทีพีปกติจะภาวนาเช้าหนึ่งชั่วโมงเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงดึกหนึ่งชั่วโมงวันนี้ภาวนารู้สึกร่างกายทึบแข็งเป็นก้อนทั้งร่างกายแต่เราก็ดูไปเรื่อยๆมีความคิดบ้างแต่เราดูเวทนาไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนไปอย่างนี้ถูกต้องไหมคะไม่ควรไปดูร่างกายไม่ควรไปดูเวทนาควรดูลมหายใจหรือควรที่จะ มีคำบริกรรมกรรมกลับให้ใจไม่ให้ไปรับลูกเรื่องราวต่างๆเพราะดูแลมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ถ้าดูอย่างอื่นต้องดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อาชีพเช่าบูชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเป็นบาปไหมคะหากหัวใจเราศรัทธาและทำบุญในพระพุทธศาสนาอยู่มิได้ประมาทในครูบาอาจารย์ค่ะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกก็เหมือนกับการขายตุ๊กตาขายของเล่นนี่คนที่ไปซื้อก็เหมือนเด็กที่ไปซื้อตุ๊กตาซื้อของเล่นเพียงแต่อย่าไปหลอกเขาเท่า น, นั้นเองอย่าเอาของออของไม่มีราคาแล้วมาหลอกเขาว่ามีราคาแล้วขายออถ้าขายด้วยด้วยการหลอกลวงก็เป็นบาป แต่ถ้าขายด้วยความสุดเจริญซื้อมาเท่านี้ก็ขายไปตามราคาที่เราซื้อมาเพิ่มกำไรเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆอย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดหมดแล้วเลยค่ ะ, ะถามมาคำถามจากคุณอภิสิทธิ์เรื่องของการสมาธิถ้าเราบริกรรมพุทธทางสล า, านังคาฉามิทำมังสล า, านังคาฉามิสั่งคางสล า, านังคาฉามิ ใช้ได้ด้วยกับการบริการพุทธโทได้ไหมครับได้ได้เหมือนกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมมีความศรัทธาในคำสอนของพระองค์พระสงฆ์พระพุทธเจ้าอย่างหมดจดตอนนี้ผมไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่แต่ผมก็หมั่นฝึกเขียนแผ่นที่ฝึกอ่านแผ่นที่แต่ในใจผมอยากส่งสนามลบแล้วผมกะฝากชีวิตไว้ในผ้าเหลืองอีกไม่นานครับ ใจผมบอกอย่างนั้นผมอยากรู้ว่าพระอาจารย์บวชให้ได้ไหมครับเราบวชไม่ได้เราไม่ได้เป็นพระอุปชายบวชกับพระอุปชายมีเยอะแยะไปบวชที่ไหนก็บวชได้การบวชไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรบวชที่ไหนก็บวชได้บวชแล้วอยู่ที่เราว่าเราบวชแล้เราจะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนได้หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นสาคัญกว่างั้นบวชกับใครก็ได้ คำถามจากคุณสมคิดถ้าเรานั่งสมาธิพอเราจะออกจากสมาธิเราจะต้องทําอย่างไรควรจะต้องแผ่เมตตาหรือเปล่าเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ต้องหรอกจะแผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้แล้วแต่เราแผ่ก็ไม่ได้แผ่อยู่ดีเพราะว่าไม่มีใครรับน่ยเป็นการซ้อมแผ่ไปเท่านั้นเองเผื่อเวลาที่เราเจอคนรับเราจะได้แผ่ออกเช่นพอออกจากสมาธิมามาเจอคนด่าเราปุ๊บเราก็จะได้แผ่ให้เขาได้ทันที